ทรรมะทมาในที่นี้ก็หมายถึงทุกสิ่งกันนะยกตัวอย่างเช่นการพูดดีนะการทำดีเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นที่ใจก่อนคนเราเนี่ยถ้าหากว่าใจมันเป็นอกุศลแล้วเนี่ยจะให้พูดดีทาดีพูดเป็นกุศลทาเป็นกุศลก็ยากอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งซึ่งนะเราก็อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆนะว่าการกระทาหรือพฤติกรรมของเราเนี่ยมันก็มีที่มา อยู่ที่ใจแต่ว่าความหมายเนี่ยมันมีมากกว่า น, นั้นนะยกตัอย่างเช่นสุขหรือทุกข์เนี่ยนะมันก็อยู่ที่ใจนะสุขกายยังไงก็ไม่สำคัญทั้กับสุขใจอย่างเราเคยได้ยินคำว่ารับที่อยู่ได้รับใจอยู่ยากคนที่ติดคุกอยู่ในที่รับแคบแต่ว่าใจก็เป็นอิสระ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 แต่ว่าแจก็เป็นิสลาเนี่ยไม่มีความพิดนะจากฆ่าตัวตายไม่มีความพิที่จะทำร้ายตัวเองเอาหัวโคบอ่นะาศาลาเอาหัวโคบ ก, กำแพงหรือโคบเสาแต่คนที่แม้จะมีบ้านหรือคือหรหนสหลังใหญ่นะแต่ว่าใจิตใจเนี่ยถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ความรู้สึกผิดหรือว่าความซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะทำร้ายตัวเองถึงขั้น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 อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าบาปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกความหมายหนึ่งนะของพุทธภาสิตที่ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ภาวนานก็เปนะ็นการเจริญสติเนี่ยนะมันไม่ได้ที่รูปแบบนะว่าจะต้องยกมือบางคนยกมือแต่ว่าใจลอยคิดโน่นคิดนี่นะสู้คนที่นอนนะแต่ว่าดูใจนะรักษาใจไม่ให้ฟุง้งนะอย่างนี้เรียกว่าทำความเพียรเหมือนกันนะเวลาจิตเกิดอกุศล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 ยืนยันความเห็นของเราอะไรที่ไม่ชอบก็จะผลักไสนะเราสังเกตดูคนเราเนี่ยเราจะฟังนะเราจะได้ยินแต่สิ่งที่มันนะสอดคล้องกับความเชื่อความเห็นของเราเขาเคยทดลองนะเอาคนที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตนะกับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตเนี่ยเอามา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 จริงๆแล้วนี่เนเราก็สามารถจะมอง <ses> เห็นสิ่งที่มันเราไม่อยากจะมองได้เรากลัวไม่อยากเห็นนะแต่พอเราไม่มีความกลัวเราก็สามารถจะมองด้วยความด้วยสายตาที่เป็นกลางถ้าเรามองด้วยด้วยใจที่เป็นกลางเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่ ง, งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็อาจจะรู้เลยว่าอ๋อจริง ๆ, ๆแล้วเนี่ยนะ